ข อ, อนอมน้อมบูชาพรัตนตรัยขอบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะพระเทรานุเทละครูบาอาจารย์ทุกท่านพันเตเพื่อนสาธ ร, รมิกและขอเจริญในธรรมแม่ชี อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุก โ, โตในวันนี้ต้องขออภัยด้วยเสียงแหบแห้งสังเกตไม่ว่าเราทำวัดเสร็จแล้วใจเราเป็นอย่างไรบ้างใจเราปกติสบายๆใช่ไหม นี่แหละคือพื้นฐานของชีวิตความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตของทุกคนนะที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยก็คือมาสัมผัสเรื่องนี้แล้วก็มาสังเกตรเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดา มันเป็นพื้นฐานนะที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพราะความที่มันมีอยู่แล้วนะั่นแหละบางทีเราก็มักจะหลงลืมสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแล้วเราก็ไปวิ่งหานะความสุขนะจากวัตถุภายนอกนะความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นนะทำให้เราหลงลืม ความสุขที่เป็นพื้นฐา น, นาก็คือความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วในตัวเราเมื่อเช้าเราได้ฟังหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดถึงที่เรามาทำความรู้สึกตัวกันเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราจะกลับไปสู่ความเป็นปกติซึ่งมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้สังเกต เราไม่เคยได้ให้ความสำคัญนะเหมือนกับเวลาเรากระหายเนี่ยนะน้ำจืดจืดเนี่ยมันจะแก้กระหายได้ดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เราจะไปหาเครื่องดื่มนะที่มีรสชาติแปลกแปกนะเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือว่าขมอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายเนี่ยนะมันก็มาจบที่น้ำจืด เพราะนั้นความเป็นปกติของใจเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตมีชีวามีความสุขอยู่ในปัจจุบันการมาทำความรู้สึกตัวการมาเรียนรู้เรื่องนี้นะก็เพื่อที่จะให้กลับมาสู่ความเป็นปกตินั่นเองทีนี้การเรียน เรื่องของกายเรื่องของใจเนี่ยคนที่มีการศึกษามากหรือคนที่อ่านหนังสือมามากๆ ก, ก, ก็จะไปติดที่ความคิดนะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงที่คิดนี่แหละมันทำให้เราไม่เรียนรู้หรือว่าไม่รู้จักความจริงนะที่ปรากฏหรือสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราได้มาฝึกปฏิบัติกันวันนี้ก็เกิดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะบางคนก็คงจะจับประเด็นได้นะบางคนก็พอจะจับเส้นทางได้นะแต่บางคนก็ยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรแน่นะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเราคิดมากเกินไปนะเราคิดมากเกินไป ควารู้สึกตัวเป็นยังไงขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมันมันมันตรงๆอ่ะนะเรียนรู้ตรงๆอ่ะไม่ต้องไปใช้ความคิดเลยนะไม่ต้องไปคิดแยกแยะเลยเอย๊มันรู้สึกมันนั่งมันมันรู้สึกชัดๆยังไงอะไรเงี้ยบางทียิ่งไปคิดมากก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆธรรมะก็คือธรรมดาธรรมดาสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใส่ใจ เรากลับมาอยู่สิ่งที่เผชิญหน้าสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้สึกตัวไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องคิดเลยว่าความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงขณะที่เรานั่งอยู่เรารู้สึกว่าเรานั่งอยู่อากาศมันเย็นนะพัดลมมันพัดเรารู้สึกนะเนี่คือความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้ว เป็นของที่มีอยู่แล้วพื้นพื้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเราคิดมากเกินไปเราใช้ความคิดมากเกินไประบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยสอนให้เราคิดมากเกินไปคิดหาเหตุหาผลคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แยกแยะต่างๆนานาไอ้ตรงคิดนี่แหละมันทำให้ยากนะที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงที่มีอยู่แล้วนะก็คืออาการต่างๆ ของกายของใจเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆนะเราสูญเสียความรู้สึกตัวไปกับความคิดเสียมากนะตรงนี้ก็เลยทําให้เราเรียนรู้ธรรมะยากจริงๆธรรมะไม่ยากเลยง่ายมากแต่มันยากตรงที่เราไปคิดมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทิ้งหมดเลยนะความคิดเนี่ยนะ คิดอะไรกันแล้วแต่ทิ้งหมดในระหว่างที่เราฝึกเนี่ยนะแต่ยังไม่ต้องไปกังวลนะมีบางคนถามว่าเอ๊ะคิดไปคิดไปเดี๋ยวสุดท้ายมันจะไม่คิดแล้วเดี๋ยวไปทำงานไม่ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลเลยนะไม่ต้องกลัวเลยนะจิตเนี่ยก็มีหน้าที่คิดนะมันจะคิดของมันไปเรื่อยแหละนะแต่ที่เรามาฝึกเนี่ยคือฝึกทิ้งความคิดด้วยความรู้สึกตัวนะฝึกให้ความรู้สึกตัวมันมัน เกิดขึ้นบ่อยๆนาะให้มันบ่อยๆมันจะได้มีน้ำหนักมีน้ำหนักที่จะไปถ่วงดุลความคิดนะเมื่อเราถ่วงดุลความคิดได้เนี่ยนะเราก็จะมีจิตใจเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเป็นอาหารของใจนะเราเคยแต่การกินอาหารก็คือคำข้าวอันนั้นเป็นอาหารกาย แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นอาหารใจเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงเรานะหรือเมื่อเช้าหลวงพ่อคเขียนบอกว่าเป็นบ้านนะเป็นบ้านเป็นที่อยู่เป็นที่พักนะของเราเพราะฉะนั้นบ้านตรงนี้อย่าลืมนะแล้วก็อาหารตรงเนี้ยอย่าลืมเรากินแต่อาหารกายแต่เราไม่ได้กินอาหารใจเพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์นะเราก็สับสนนะเราก็หนักอกหนักใจ นะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทีนี้การเรียนรูนะ้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยนะหลวงพ่อเทีย น, นยนะก็ได้นำเสนอนะวิธีการนะซึ่งจะแตกต่างนะไปจากกรรมฐานที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปการฝึกกรรมฐานโดยทั่วไปนั้น เขาจะทำให้จิตมันสงบก่อนนะก็คือนั่งหลับนิ่งๆนะให้จิตสงบนะพอจิตสงบแล้วนะก็ถอนตัวขึ้นมานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปฝึกเนี่ยพอสงบแล้วมันก็ดิ่งไปเลยหลับไปเลยมันไม่มันไม่ฟื้นขึ้นมาเลยเหมือนกับตกภวังไปเลยเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยสงบแบบไม่รู้ตัวไงนะคนที่ไปฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะติดสงบ เมื่อติดสงบแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่อยากพบผู้คนไม่อยากเผชิญอะไรทั้งนั้นแหละอยากจะไปนั่งอยู่ที่เงียบๆไม่อยากให้มีอะไรเสียงอะไรมารบกวนนะซึ่งความสงบแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นความสงบที่ไม่รู้ตัวนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะในประเทศไทยหรือว่าในโลกนียจะไปเน้นตรงความสงบตรงนี้นะแต่ที่เรามาฝึกเจริญสติคเคลื่อนไหว นะแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านได้นาเสนอเนี่ยนะเป็นความสงบที่รู้ตัวความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยนะมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดนะเมื่อเรารู้กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะความคิดนะซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งเนี่ย นะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะสับสนวุ่นวายนะหรือเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าความรู้สึกตัวมันทันมันทันกับความคิดแล้วเนี่ยนะใจมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติอันนั้นเป็นความสงบที่รู้ตัวเป็นความสงบที่มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งดิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราว ซึ่งความสงบแบบนั้นนะ่าเป็นความสงบที่ทำให้คนขี้เกียจที่ขานและบางทีเอาไปใช้กับการงานไม่ได้นะเพียงแต่ว่าใช้สำหรับพักผ่อนชั่วคราวพอได้อยู่แต่เราฝึกแบบนี้เนี่ยนะมันจะสงบนะโดยมีความรู้ตัวซึ่งตรงนี้เอาไปใช้กับการงานไดนะ้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันนะที่มีการเคลื่อนไหว มีการเดินมีการทํางานทํานู่นทํานี่แตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหมาะกับยุคปัจจุบันการที่เรามานั่งสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีจุดประสงค์ใหญ่ก็คือเป็นการเรียกความรู้สึกตัวนะหรือเรียกใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอุบายนาะที่จะให้กลับมาอยู่กับเนวกับตัว เมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมองเริ่มเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเริ่มจากเห็นสิ่งที่หยาบๆก่อนก็คือการเคลื่อนการไหวของมือนะเมื่อนั่งไปนานๆก็มีอาการปวดอาการเมื่อยนะหรือบางทีทําไปทํามาทําบ่อยๆเดี๋ยวมันคิดแป๊บนู่นคิดแป๊บนี้ขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ย แต่ก่อนเมื่อเราไม่เคยได้ฝึกนะเราก็ไม่ได้สนใจมันเพราะเรามัวไปสนใจสิ่งข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราที่กายที่ใจเราไม่ได้สนใจเมื่อไม่ได้สนใจเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอาการปวดอาการเมื่อยนะหรือความนึกคิดต่างๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีการแปลเปลี่ยน ไม่คงที่ไม่คงตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะบงับบงคับบัญชาได้นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความมันทนอยู่ไม่ได้เห็นมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการปล่อยวางเป็นการปล่อยวางโดยโดยธรรมชาติไม่ต้องไปคิดว่าจะปล่อยอ่ะมันปล่อยเอง เพราะมันมันเจอบ่อยๆมันโอ้มั น, ม, นมันเบื่อมันมันไปจับไปยึดไปถือไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นความจริงที่จะปรากฏนะให้เราได้เห็นนะแล้วเราก็จะปล่อยวางทีนี้วิธีการฝึกแบบนี้นะนะมันมีจุดเด่นอันนึงที่ที่มองเห็นก็คือเราทำอย่างเดียวเนี่ยก็คือทำความรู้สึกตัวเพียงอย่างเดียวเนี่ย แต่มันจะเกิดผลนะหลายอย่างขึ้นมาแต่ก่อนเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหต้องมีหลักธรรมมากมายนะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่วิธีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวทำอันนี้อันเดียวเนี่ยนะไม่ต้องใช้ความคิดเลยเนี่ยนะมันจะเข้าไปรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ นะที่มันแสดงตัวออกมานะแต่ก่อนเนี่ยเรามีชีวิตที่เข้าไปยึดไปถือว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของกูเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะยึดถือหนักอกหนักใจนะที่เราเรียกว่าอุปท า, านขันนั่นเองนะพอเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราเจ็เลยการที่เข้าไปยึดไปถือเนี่ยมันหนักมันหนักมันก็ต้องปล่อยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ เรารู้จักความจริงนะแล้วก็รู้จักการปล่อยวางซึ่งการปล่อยวางเนี่ยก็คือการคืนสู่ความเป็นปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วแล้วมันจะไปถึงไหนแล้วมันจะไปจบตรงไหนนะแล้วมันจะใช้อะไรนอกจากความรู้สึกตัวแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมตัวกับผมเนี่ยตมาเองก็เคยสงสัยะก็เคยถามหลวงพ่อคําเขียน ว่าหลวงพ่อแค่รู้สึกตัวเนี่ยหรอหลวงพ่อบอกก็ใช่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดมันใช้ทําให้เราเนี่ยได้รู้อาการต่างๆปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเราให้เรารู้ความจริงอันนี้และความจริงอันนี้ก็เป็นศัจจธรรมหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ก่อนเราไปเรียนหนังสือ ไปอ่านหนังสือธรรมะไปอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหมันเยอะแยะเลยนะเราก็คิดว่าธรรมะมันเป็นอย่างนู้นธรรมะมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ธรรมะมันก็เนี่ยตรงตร ง, งเลยพอเริ่มต้นนั่งง่วงนอนเลยเนี่ยอาการง่วงนี่มันแสดงอากกว่านี่คือความจริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเจอเราก็โอ้ยไม่ไหวแล้วทำไม่ถูกแล้วมั่งเนี่ย ه, สงสัยยจะทำไม่ได้แล้วมั่งปกติปฏิบัติธรรมมันต้องสงบสงบประรรมละง่วงเลยความง่วงเนี่ยแหละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นอาการนี่มันแสดงเราต้องรู้รู้เท่าทันแล้วฝืนหรือไม่ทําตามเช่นเราง่วงเราไม่นอนอะนะเราก็จะนั่งยกมืออยู่เนี่ยนะก็เรียกว่าสู้กับมันน ะ, ะบางทีสู้กับมันตรงๆไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างใช่ไหม นั่งมันง่วงก็ลุกขึ้นเดินนะเดินช้ามันง่วงก็เดินเร็วขึ้นเดินหน้ามันยังง่วงก็เดินถอยหลังแก้มันนะเนี่ยคือคนที่เริ่มต้นใหม่ๆจะเจออย่างนี้นเจอความง่วงเจอความปวดความเมื่อยเนี่ยคือธรรมะความจริงที่แสดงตัวทำไปทำมามันคิดฟุง้งซ่านคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันแสดงออกมาหลายคนก็บอก เอ้มันใสไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยปฏิบัติมันต้องสงบสงบสิใช่ไหมเอ้มันทําไม่ฟุง้งซ่านเอ้ไมันไม่ถูกแล้วมั้งไขความฟุ้งซ่านนี่แหละมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มันแสดงออกมาเมื่อมันแสดงออกมาเราจะทํำยังไงแต่ก่อนเนี่ยพอฟุง้งซ่านเราก็คิดใช่ไม้มคิดตามมันไปตามมันไปเฝ้าดูแต่ก่อนตัวผมอาตมาเองก็เฝ้าดูว่ามันจะไปจบตรงไหนนะซึ่งไอการทําแบบเนี้ยเราเผอไปแล้ว เราเผอไปในความคิดละแต่เมื่อเรามาฝึกการเจริญสติแบบนี้เมื่อมันคิดฟุง้งซ่านอย่าไปให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ต้องไปสนใจมันเลยมันจะคิดอะไรก็เรื่องของมันความคิดกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ทันหรอกมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปต่อยาวเลยมารู้สึกตัวอีกทีเ อ, อ๊อเผอไปแล้วเผอไปแล้วช่างมัน เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆพัฒนาการที่จะเห็นได้อันหนึ่งก็คือแต่ก่อนคิด10เรื่องเนี่ยไม่ทันเลยสักเรื่องหนึ่พอเรามาทําความรู้สึกตัวเนี่ยคิด10เรื่องทันหนึ่งเรื่องโอ้โหดีใจละอีก9เรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรนะทำไปเรื่อยๆสร้างจังหวะเดินจงกรมทําความรู้สึกตัวไปบ่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวคิดสิบเรื่องรู้ทันสองเรื่องไม่ทันอีก8เรื่อง มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ปุ๊บแล้วมันไม่มาเลยบางคนไปจินตนาการนะว่าพอเอาชนะความง่วงครั้งแรกแล้วมันจะไม่มาเลยไม่ใช่เดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวได้ชัดเนี่ยน้ำหนักของความง่วงเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติจะเห็นได้ง่ายๆวันแรกๆเนี่ยโอ้โหยมันหนักจริงๆไอ้ความง่วงเนี่ยมันงอหัวไม่ขึ้นเลย แต่พอความรู้สึกตัวเราชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยไอ้น้ำหนักความง่วงมันจะน้อยลงนะมันจะเบานะจริงๆมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกตัวเรามันชัดพัฒนาการมันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากความจริงทีนี้บางครั้งเนี่ยพอเราทําไปทําไปก็อาจจะมีความสงสัยบ้างนะ หรือบางคนทำไปทาไปโอ้โหตัวเบาสบายขนลุกขนพองราบซานปิติหรือบางคนสงบเลยก็มีอาการเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่จะปรากฏให้เราดูแต่เราอย่าเข้าไปในอาการเหล่านั้นกลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกลับมารู้สึกตัวอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามาให้เราเรียนรู้แล้วผ่านไปผ่านไปอย่าไปติดอย่าไปติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบปิติส่วนใหญ่จะไปติดครั้งหนึ่งหลวงพ่อเทียนเคยเล่าให้ฟังนั่นบอกว่าเหมือนเราเดินทางไปเนี่ยจะไปถึงที่หมายเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีออสระน้ำเย็นใสมีต้นไม้ร่มลื่นเราก็เข้าไปนั่งพักถามว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแหมก็ไม่ถึงอันนี้เหมือนกัน บางทีเราทําไปพบกับปิติพบกับความสงบเราก็นิ่งเข้าไปอยู่ในมันแล้วนะลืมตัวไปแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วนะเพลินไปแล้วนะบางทีมันก็อยู่นานบางทีมันก็อยู่ไม่นานแล้วมันก็ไปเพราะธรรมชาติของเขามันไม่คงตัวมันเปลี่ยนแปลงเหมือนดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันอารมณ์ของคนเราก็เหมือนกันเป็นเป็นอันเดียวกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ให้เรากลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆ อ, อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆจะดีจะร้ายหรือความคิดที่เลอเลิอดประเสริฐีขนาดไหนก็ตามบางคนเนี่ยนะมาฝึกเจริญสิโอ้โหมันได้ความคิดปิ้งกันมาเลยนะที่คิดไม่ออกนะมันปิ้งกันมาเลยแล้วก็คิดโครงการใหญ่เลยตรงนั้นเราก็เผลอไปแล้วเราเผลอไปในความคิดแล้วเพราะนั้นทิ้งเลยนะโครงการอะไรก็ทิ้งหมดเลย นะแล้วไม่ต้องไปกลัวนะเดี๋ยวกลับไปแล้วมันจะคิดไม่ได้โอ้โหมันยิ่งคิดแจ๋ออะไรทีนี้มันจะจัดระเบียบความคิดได้ความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิดไม่ต้องกลัวเลยจะคิดเมื่อไหร่ก ok ็ได้ไม่คิดก็ได้เนี่ยมันจะมีกําลังขึ้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งมหัจจันทร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะถ้าเราฝึกไปแล้วนะความรู้สึกตัวเนี่ย จะเป็นเหมือนตาวิเศษนะที่หลวงพ่อคำเก่นชอบใช้คำคำนี้เป็นตาวิเศษที่จะดูแลตัวเรานะดูแลกายดูแลใจนะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็พูดไว้นะว่าสติเนี่ยให้สติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเขาจะดูแลคุ้มครองตัวเรานะไม่ให้ตกจมไปอยู่ใน อ, อ, อารมณ์ต่างๆนะทั้งดีและไม่ดีนะ เพราะถ้าเราตกไปจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆที่ดีหรือไม่ดีนั้นจะทําให้เราสุขสุขทุกทุกทกฟูฟแฟบแฟจิตใจละหกละเหนินแต่ถ้าเรามีสติเป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ะตะกี้นี้เราสวดบทกัลยาณมิตรเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคาว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะของเรานั่นแหละ คือพุทธะที่มีอยู่ในตัวเราพุทธะอันนี้มีอยู่ในทุกคนนะไม่ได้หมายถึงพระเจ้าคือเจ้าชายศรีสัทธามเมื่อประมาณสองพันกรอยปีที่แล้วตรงนี้นะคือพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราและมีทุกคนเพราะฉะนั้นที่เรามาเนี่ยนะถ้าจะเรียกอีกอย่างนึงนะเรียกว่าปุกพระนะปุกพระที่มีอยู่ในตัวเราที่เขาชอบปุกเสกปุกเสกกันนะ่ะนี่คือปุกพุทธะ คือความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นนะเมื่อตื่นขึ้นแล้วเขาจะทำงานของเขาผลมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจแต่เราจะสังเกตได้นะเราก็จะเริ่มมีชีวิตที่เป็นปกติอารมณ์อะไรผ่านเข้ามารู้ทันแต่ก่อนเราจมไปอยู่ในอารมณ์จมไปอยู่ในความคิดแต่เมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราจะเป็นอิสระจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้น รนะ่างกายเราก็จ ะ, ะสุขภาพก็จะดีขึ้นนะจะทำอะไรด้วยความพอเหมาะพอดีนะมีชีวิตที่พอเหมาะพอดีซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับการอยู่ในโลกจะเป็นประโยชน์กับการทำให้กับคนอื่นๆให้กับโลกให้กับสังคมต่อไปและเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงเราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นลนะคำว่าไม่ได้พึ่งคนอื่นในที่นี้หมายถึงแต่ก่อนเนี่ย พอเวลาเราเหงาเราว้าวเวเราต้องหาคนนู้นคุยคนนี้คุ ย, ค ย, คยหาเพื่อนต้องพึ่งค น, นนั้นพึ่งค น, นนี้แต่ต่อไปนี้เรามีที่พึ่งคือความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่เราจะใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่มาฝึกเนี่ยอย่าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆวันนี้เพิ่งเริ่มตน้น ชีวิตเริ่มต้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกตัวชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตที่มีความรู้สึกตัวนําทางนะนี่คือสิ่งที่เราน่าจะได้รับาจากการมาวัดป่าสุกโตนะซึ่งเป็นสถาบันสติปัฏฐานนะที่จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้เนี่ย นะก็ขอให้เราพยายามนะใช้ความเพียรพยายามทําต่อไปเรื่อยๆและขอให้มันติดอยู่ในตัวเราให้เกิดนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวหรือเป็นนิสัยแห่งสติสัมปชัญญะแต่ก่อนเรามีชีวิตนะที่ทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความคิดทําไปตามความเคยชินทําไปตามสัญชาตญาณ ต่อไปนี้ชีวิตเราจะทำไปตามสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาที่เราได้ฝึกที่เราได้ทำกันมานะตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะให้เรามีชีวิตที่มีสันติสุขนะแล้วก็ก่อให้เกิดสันติภาพแก่สังคมนะโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายคนคงทราบดีว่าบ้านเมืองเราไม่เคยปกติเท่าไหร่นักนะ ก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมข้างนอกแต่ให้เรารักษาใจของเราให้เป็นปกตินะด้วยความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้พิจารณานะอาไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือสติสัมป ญ, ญญะ หน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่มีอยู่แล้วและพระสงฆ์ก็คือการพระพุติปฏิบัติการเจริญสติที่เราได้ทำเนี่ยจงเป็นพระละวัปัจจัยให้ทุกท่านนะได้ประสบพบเห็นนะกับความเป็นปกติของใจในปัจจุบันชาตินี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร